ภาวะที่ควรกำหนดควรรู้ยิ่งสภาวะที่เป็นบริวารสภาวะที่เต็มรอกสภาวะที่เป็นเอกคตารมสภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่านสภาวะที่ประพองไว้สภาวะที่ไม่กระจายไปสภาวะที่ไม่ขุนมัวสภาวะที่ไม่หวั่นไหวสภาวะที่ตั้งอยู่ด้วยอำนาจความปรากฏแห่งจิตที่เป็นเอกคตารม สภาวะที่เป็นอารมณ์สภาวะที่เป็นโคจรสภาวะที่ละสภาวะที่สละสภาวะที่ออกสภาวะที่หลีกไปสภาวะที่ละเอียดสภาวะที่ประณี่สภาวะที่หลุดพ้นสภาวะที่ไม่มีอาสวะสภาวะเครื่องข้ามสภาวะที่ไม่มีนิมิตสภาวะอันไม่มีที่ตั้ง สภาวะที่ว่างสภาวะที่มีรสเป็นอย่างเดียวกันสภาวะที่ไม่ล่วงเลยกันสภาวะที่เป็นคู่กันสภาวะที่นำออกสภาวะที่เป็นเหตุสภาวะที่เห็นสภาวะที่เป็นใหญ่ควรรู้ยิ่งสภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่านแห่งสมถะควรรู้ยิ่งสภาวะที่พิจารณาเห็นแห่งวิปัสสนา สภาวะที่มีรสเป็นอย่างเดียวกันแห่งสมถะและวิปัสนาสภาวะที่ไม่ร่วงเลยกันแห่งธรรมที่เป็นคู่กันสภาวะที่สมาทานแห่งสิกขาสภาวะที่เป็นโคโจรแห่งอารมณ์สภาวะที่ประคองจิตซึ่งย่อท้อสภาวะที่คมจิตที่ฟุ้งซ่านสภาวะที่คุมจิตอันบริสุทธิ์จากความย่อท้อและความฟุ้งซ่านทั้งสองประการ สภาวะที่บรรลุคุณวิเศษสภาวะที่รู้แจ้งอริยมรรคอันยอดเยี่ยมสภาวะที่ตรัสรู้สัจจะสภาวะที่ให้จิตตั้งอยู่เฉพาะในนิโรธควรรู้ยิ่งสภาวะที่น้อมใจเชื่อแห่งสัตทินสีควรรู้ยิ่งสภาวะที่ประคองไว้แห่งวิริยินสีสภาวะที่ตั้งมั่นแห่งสัตินสีสภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่านแห่งสมาทินี สภาวะที่เห็นแห่งปัญญีสีควรรู้ยิ่งสภาวะที่ไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีศรัทธาแห่งศรัทธาพละควรรู้ยิ่งสภาวะที่ไม่หวั่นไหวเพราะความเกียดคร้านแห่งวิริยะภละสภาวะที่ไม่หวั่นไหวเพราะความประมาทแห่งสติพละสภาวะที่ไม่หวั่นไหวเพราะอุทจจะแห่งสมาธิพละสภาวะที่ไม่หวั่นไหวเพราะอวิชชาแห่งปัญญาพละ ควร ร, รู้ยิ่งสภาวะที่ตั้งมั่นแห่งสติสัมโัสชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ควรรู้ยิ่งสภาวะที่เลือกเฟ้นแห่งธรรมวิทยาสัมโัสชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเลือกเฟ้นธรรมสภาวะที่ประคองไว้แห่งวิริยะสัมโัสชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียร สภาวะที่แผ่ไปแห่งปีติสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจสภาวะที่สงบแห่งปัจทติสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบใจสภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่านแห่งสมาธิสัมโพชงทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตมั่นสภาวะที่พิจารณาแห่งอุเบกขาสัมโพชง ทำเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความมีใจเป็นกลางควรรู้ยิ่งสภาวะที่เห็นแห่งสัมมาทิฏฐิเห็นชอบควรรู้หยิ่งสภาวะที่ตรึกตรองแห่งสัมมาสังกัปปะดําริชอบสภาวะที่กําหนดแห่งสัมมาวาจาเจรจาชอบสภาวะที่เป็นสมุทฐานแห่งสัมมากรมมันตะกระทําชอบสภาวะที่ผ่องแผ้วแห่งสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบสภาวะที่ประคองไว้แห่งสัมมาวายามะพยายามชอบสภาวะที่ตั้งมั่นแห่งสัมมาสติระเลึกชอบสภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่านแห่งสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบควรรู้ยิ่งสภาวะที่เป็นใหญ่แห่งอินทรีย์ควรรู้ยิ่งสภาวะที่ไม่หวั่นไหวแห่งพละสภาวะที่นำออกแห่งพ่อชง สภาวะที่เป็นเหตุแห่งมักสภาวะที่ตั้งมั่นแห่งสติปทานสภาวะที่เริ่มตั้งแห่งสมประทานสภาวะที่สำเร็จแห่งอิธิบาตสภาวะที่เป็นของแท้แห่งสัจจะสภาวะที่ระงับแห่งมักสภาวะที่ทำไม่แจ้งแห่งผลควรรู้ยิ่งสภาวะที่ตรึกตรองแห่งวิตกควรรู้ยิ่งสภาวะที่ตรจตราแห่งวิจาร สภาวะที่แผ่ไปแห่งปีติสภาวะที่ไหลมาแห่งสุขสภาวะที่เป็นเอกคตารมณ์มีอารมณ์เดียวแห่งจิตสภาวะที่นึกสภาวะที่รู้แจ้งสภาวะที่รู้ชัดสภาวะที่จำได้สภาวะที่มีรสเป็นอย่างเดียวกันควรรู้ยิ่งสภาวะที่รู้แห่งอภิญญาควรรู้ยิ่ง สภาวะที่พิจารณาแห่งปริญญาสภาวะที่สละแห่งปหานะสภาวะที่มีรสเป็นอย่างเดียวกันแห่งภาวนาสภาวะที่ถูกต้องแห่งสัจิกิริยาสภาวะที่เป็นกองแห่งขันทั้งหลายสภาวะที่ทรงไว้แห่งท่าทั้งหลายสภาวะที่ต่อแห่งอเยตนะทั้งหลายสภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่งแห่งสังคตธรรม สภาวะที่ปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่งแห่งอสังขตธรรมควรรู้ยิ่งสภาวะแห่งจิตควรรู้ยิ่งสภาวะที่ไม่มีระวังข้านแห่งจิตสภาวะที่ออกแห่งจิตสภาวะที่หลีกไปแห่งจิตสภาวะที่เป็นเหตุแห่งจิตสภาวะที่เป็นปัจจัยแห่งจิตสภาวะที่ตั้งมั่นแห่งจิตสภาวะที่เป็นภูมิแห่งจิต สภาวะ hey. well, ที่เป็นอารมณ์แห่งจิตสภาวะที่เป็นโคจรแห่งจิตสภาวะที่เที่ยวไปแห่งจิตสภาวะที่ไปแห่งจิตสภาวะที่นำไปแห่งจิตสภาวะที่นำออกแห่งจิตสภาวะที่จลัดออกแห่งจิตควรรู้ยิ่งสภาวะที่นึกในจิตที่เป็นเอกคตาารมณ์มีอารมณ์เดียวควรรู้ยิ่งสภาวะที่รู้แจ้งในจิต ที่เป็นเอกขะตารมสภาวะที่รู้ชัดในจิตที่เป็นเอกขะตารมสภาวะที่จำได้ในจิตที่เป็นเอกระตารมสภาวะที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นในจิตที่เป็นเอกคะตารมสภาวะที่เนื่องในจิตที่เป็นเอกคะตารมสภาวะที่เล่นไปในจิตที่เป็นเอกขะตารมสภาวะที่ผ่องใสในจิตที่เป็นเอกคตารม สภาวะที่ตั้งมั่นในจิตที่เป็นเอกขตารมสภาวะที่หลุดพ้นในจิตที่เป็นเอกขตารมสภาวะที่เห็นว่านี้ละเอียดในจิตที่เป็นเอกขตารมสภาวะที่ทำให้เป็นดุจญานในจิตที่เป็นเอกขตารมสภาวะที่ทำให้เป็นที่ตั้งในจิตที่เป็นเอกขตารมสภาวะที่ตั้งขึ้นเนืองๆในจิตที่เป็นเอกขตตารม สภาวะที่อบรมในจิตที่เป็นเอกคตารมสภาวะที่ปรารบเสมอดีในจิตที่เป็นเอกคตารมสภาวะที่กำหนดในจิตที่เป็นเอกคตารมสภาวะที่เป็นบริวารในจิตที่เป็นเอกคตารมสภาวะที่เต็มรอบในจิตที่เป็นเอกคตารมสภาวะที่ประชุมในจิตที่เป็นเอกคตารม สภาวะที่อธิษฐานในจิตที่เป็นเอกคตารมสภาวะที่ปฏิบัติในจิตที่เป็นเอกคตารมสภาวะที่เจริญในจิตที่เป็นเอกคตารมสภาวะที่ทำให้มากในจิตที่เป็นเอกคตารมสภาวะที่รวมดีในจิตที่เป็นเอกคตารมสภาวะที่หลุดพ้นด้วยดีในจิตที่เป็นเอกคตารม สภาวะที่ตรัสรู้ในจิตที่เป็นเอกคตารมสภาวะที่ตรัสรู้ตามในจิตที่เป็นเอกคตารมสภาวะที่ตรัสรู้เฉพาะในจิตที่เป็นเอกคตารมสภาวะที่ตรัสรู้พร้อมในจิตที่เป็นเอกคตารมสภาวะที่ให้ตรัสรู้ในจิตที่เป็นเอกคตารมสภาวะที่ให้ตรัสรู้ตามในจิตที่เป็นเอกคตารม สภาวะที่ให้ตรัสรู้เฉพาะในจิตที่เป็นเอขะคตารมสภาวะที่ให้ตรัสรู้พร้อมในจิตที่เป็นเอขะคตารมสภาวะที่เป็นไปในฝ่ายตรัสรู้ในจิตที่เป็นเอขะคตารมสภาวะที่เป็นไปในฝ่ายตรัสรู้ตามในจิตที่เป็นเอขะคตารมสภาวะที่เป็นไปในฝ่ายตรัสรู้เฉพาะในจิตที่เป็นเอขะคตารม สภาวะที่เป็นไปในฝ่ายตรัสรู้พร้อมในจิตที่เป็นเอกคตารมสภาวะที่สว่างในจิตที่เป็นเอกคตารมสภาวะที่สว่างขึ้นในจิตที่เป็นเอกคตารมสภาวะที่สว่างเนืองๆในจิตที่เป็นเอกคตารมสภาวะที่สว่างเฉพาะในจิตที่เป็นเอกคตารมสภาวะที่สว่างพร้อมในจิตที่เป็นเอกคตารมควรรู้ยิ่ง สภาวะที่อริยมรรคให้สว่างควรรู้ยิ่งสภาวะที่อาริยมรรคให้รุ่งเรืองสภาวะที่อริยมรรคทำให้กิเลสเร่าร้อนสภาวะที่อริยมรรคไม่มีม <sectors> นทิน <oter> <rese falei S 2> สภาวะที่อริยมรรคปราศจากมนทินสภาวะที่อริยมรรคหมดมนทินสภาวะที่อริยมรรคสงบสภาวะที่อริยมรรคให้กิเลสระงับสภาวะแห่งวิเวก สภาวะที่ดำเนินไปในวิเวกสภาวะแห่งความคลายกำหนัดสภาวะที่ดำเนินไปในความคลายกำหนัดสภาวะแห่งความดับสภาวะที่ดำเนินไปในความดับสภาวะแห่งการสละสภาวะที่ดำเนินไปในการสละสภาวะแห่งความพ้นสภาวะที่ดำเนินไปในความพ้นควรรู้ยิ่งสภาวะแห่งชันทะควรรู้ยิ่ง สภาวะที่เป็นโมนแห่งชันทะสภาวะที่เป็นบาแห่งชันทะสภาวะที่เป็นประธานแห่งชันทะสภาวะที่สำเร็จแห่งชันทะสภาวะที่น้อมไปแห่งชันทะสภาวะที่ประคองไว้แห่งชันทะสภาวะที่ตั้งมั่นแห่งชันทะสภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่านแห่งชันทะสภาวะที่เห็นแห่งฉันทะควรรู้ยิ่ง สภาวะแห่งวิริยะควรรู้ยิ่งสภาวะที่เป็นโมลแห่งวิริยะสภาวะที่เป็นบาทแห่งวิริยะสภาวะที่เป็นประธานแห่งวิริยะสภาวะที่สำเร็จแห่งวิริยะสภาวะที่น้อมไปแห่งวิริยะสภาวะที่ประพองไว้แห่งวิริยะสภาวะที่ตั้งมั่นแห่งวิริยะสภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่านแห่งวิริยะ สภาวะที่เห็นแห่งวิริยะควรรู้ยิ่งสภาวะแห่งจิตตะควรรู้ยิ่งสภาวะที่เ hmm? ป็นมูลแห่งจิตตะสภาวะที่เป็นบาทแห่งจิตตะสภาวะที่เป็นประธานแห่งจิตตะสภาวะที่สำเร็จแห่งจิตตะสภาวะที่น้อมไปแห่งจิตตะสภาวะที่ประคองไว้แห่งจิตตะสภาวะที่ตั้งมั่นแห่งจิตตะ สภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตตะสภาวะที่เห็นแห่งจิตตะควรรู้ยิ่งสภาวะแห่งวิมังสาควรรู้ยิ่งสภาวะที่เป็นโมลแห่งวิมังสาสภาวะที่เป็นบาแห่งวิมังสาสภาวะที่เป็นประธานแห่งวิมังสาสภาวะที่สำเร็จแห่งวิมังสาสภาวะที่น้อมไปแห่งวิมังสา สภาวะที terror, to tourism, in ่ประคองไว้แห่งวิมังสาสภาวะที่ตั้งมั่นแห่งวิมังสาสภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่านแห่งวิมังสาสภาวะที่เห็นแห่งวิมังสาควรรู้ยิ่งสภาวะแห่งทุกข์ควรรู้ยิ่งสภาวะที่บีบคั้นแห่งทุกข์สภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่งแห่งทุกข์สภาวะที่ทำให้เดือดร้อนแห่งทุก สภาวะที่แปรพันธแห่งทุกสภาวะแห่งสมุทัยสภาวะที่ประมวลมาแห่งสมุทัยสภาวะที่เป็นเหตุแห่งสมุทัยสภาวะที่เกี่ยวข้องแห่งสมุทยสภาวะที่พัวพันแห่งสมุทัยสภาวะแห่งนิโรธสภาวะที่เป็นเครื่องสลัดออกแห่งนิโรธสภาวะที่เป็นวิเวกแห่งนิโรธ สภาวะที่เป็นอสังกตะแห่งนิโรธสภาวะที่เป็นอมตะแห่งนิโรธสภาวะแห่งมรรคสภาวะที่นำออกแห่งมรรคสภาวะที่เป็นเหตุแห่งมรรคสภาวะที่เห็นแห่งมรรคสภาวะที่เป็นใหญ่แห่งมรรคควรรู้ยิ่งสภาวะที่เป็นของแท้ควรรู้ยิ่งสภาวะที่เป็นอนัตตาสภาวะที่เป็นจริง สภาวะที่รู้แจ้งสภาวะที่รู้ยิ่งสภาวะที่กำหนดรู้สภาวะที่เป็นธรรมสภาวะที่เป็นธาตุสภาวะที่รู้สภาวะที่ทำให้แจ้งสภาวะที่ถูกต้องสภาวะที่ตรัสรู้ควรรู้ยิ่งๆๆนี่ขมมะการออกจากกรามควรรู้ยิ่งอภยาบาศความไม่พยาบาศ อาโลกสัญญาความหมายรู้ในนิมิตแห่งแสงสว่างอวิคเทปะความไม่ฟุง้งซ่านธรรมววัฏฐานความกาหนดธรรมยานความรู้ปามุมชะความปราโมทควรรู้ยิ่งปฐมฌานควรรู้ยิ่งทุติยฌานตติยฌานจะตุทฌานอากาสานัญจาตนะสมาบัติวิญญาณัญจาตนะสมาบัติ อากินจัญญายาตนะสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายาตนะสมาบัติควรรู้ยิ่งอ น, นิจจานุปัสสนาควรรู้ยิ่งทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพานุปัสสนาวิราขานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาปฏินิสัช ข, ขานุปัสสนาขยานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความสิ้นไป วิญญานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความเสื่อมไปวิปริณามานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความแปรผันอนิมิตตานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความไม่มีนิมิตอัปนิหิตานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความไม่มีที่ตั้งสุญญานุปัสสนาการพิจารณาเห็นความว่างอธิปัญญาธรรมวิปัสสนา การพิจารณาเห็นธรรมด้วยปัญญาอันยิ่งยถาภูตยานทัศนะการรู้เห็นตามความเป็นจริงอธีนาวานุปัสนาการพิจารณาเห็นโทษปฏิสังขานุปัสนาการตามพิจารณาวิวัตานานุปัสนาการพิจารณาเห็นอุบายที่จะหลีกไปควนรู้ยิง่งโซดาปฏิมรคโนรู้ยิง่ง โซดาปฏิผลและสมาบัตสกะทาคามิมักสกะทาคามิผลและสมาบัตอนาคามิมักอนาคามิผลและสมาบัตอรหัตมักอรหัตผลและสมาบัตควรรู้ยิ่งชื่อว่าสัตินีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่อควรรู้ยิ่งชื่อว่าวิรีนีเพราะมีสภาวะประคองไว้ชื่อว่าสตินี เพราะมีสภาวะตั้งมั่นชื่อว่าสมาธิสีเพราะมีสภาวะไม่ฟ in mm hmm. <|ja|> em ุ้งซ่านชื่อว like ่าปัญญสีเพราะมีสภาวะเห็นควรรู้ยิ่งชื่อว่าศรัทธาภละเพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีศรัทธาควรรู้ยิ่งชื่อว่าวิริยะภละเพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะความเกียรติคร้านชื่อว่าสติภละ เพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะความประมาทชื่อว่าสมาธิะละเพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะอุทจจะชื่อว่าปัญญาพละเพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะอวิชชาควรรู้ยิ่งชื่อว่าสติสัมโพชงเพราะมีสภาวะตั้งมั่นควรรู้ยิ่งชื่อว่าธรรมวิจยะสัมโพชงเพราะมีสภาวะเลือกเฟ้นธรรม ชื่อว่าวิริยะสัมโพชงเพราะมีสภาวะประคองไว้ชื่อว่าปิติสัมโพชงเพราะมีสภาวะแผ่ไปชื่อว่าปัจจธิสัมโพชงเพราะมีสภาวะสงบชื่อว่าสมาธิสัมโพชงเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าอุเบกขาสัมโพชงเพราะมีสภาวะพิจารณาควรรู้ยิ่งชื่อว่าสัมมาทิฏฐิ เพราะมีสภาวะเห็นควรรู้ยิ่งชื่อว่าสัมมาสังกัปปะเพราะมีสภาวะตรัสตรองชื่อว่าสัมมาวาจาเพราะมีสภาวะกําหนดชื่อว่าสัมมากรรมันตะเพราะมีสภาวะเป็นสมุทฐานชื่อว่าสัมมาอาชีวะเพราะมีสภาวะผ่องแผ้วชื่อว่าสัมมาวายามะเพราะมีสภาวะประคองไว้ชื่อว่าสัมมาสติ เพราะมีสภาวะตั้งมั่นชื่อว่าสัมมาสมาธิเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านควรรู้ยิ่งชื่อว่าอินทรีย์เพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ควรรู้ยิ่งชื่อว่าภะละเพราะมีสภาวะไม่หวันไหวชื่อว่าโพชงเพราะมีสภาวะนําออกชื่อว่ามักเพราะมีสภาวะเป็นเหตุชื่อว่าสติปฐานเพราะมีสภาวะตั้งมั่น ชื่อว่าสัมมประทานเพราะมีสภาวะดำรงไว้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะมีสภาวะสำเร็จชื่อว่าสัจจะเพราะมีสภาวะเป็นของแท้ชื่อว่าสมถะเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าวิปัสสนาเพราะมีสภาวะพิจารณาเห็นชื่อว่าสมถะและวิปัสสนาเพราะมีสภาวะมีรสเป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่าทาที่เป็นคู่กันเพราะมีสภาวะไม่ล่วงเลยกันควรรู้ยิ่งชื่อว่าศีลวิสุทธิเพราะมีสภาวะสำรวมควรรู้ยิ่งชื่อว่าจิตตวิสุทธิเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิเพราะมีสภาวะเห็นชื่อว่าวิโมกเพราะมีสภาวะหลุดพ้นชื่อว่าวิชาเพราะมีสภาวะรู้แจ้ง ชื่อว่าวิมุตตเพราะมีสภาวะสละชื่อว่ายานในความสิ้นไปเพราะมีสภาวะตัดขาดชื่อว่าอนุปปัฏานเพราะมีสภาวะสงบระงับควรรู้ยิ่งชื่อว่าฉันทะเพราะมีสภาวะเป็นมูลควรรู้ยิ่งชื่อว่ามนัสการเพราะมีสภาวะเป็นสมุทฐานชื่อว่าผัสสะเพรเาะ so มีสภาวะประมวลมา ชื่อว่าเวทน า, าเพราะมีสภาวะประชุ ม, ช, ม t t t ช, ชื่อว่าสมาธิเพราะมีสภาวะเป็นประธานชื่อว่าสติเพราะมีสภาวะเป็นใหญ่ชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะเป็นธรรมที่ยิ่งกว่าธรรมนั้นชื่อว่าวิมุตตเพราะมีสภาวะเป็นแก่นสารชื่อว่าธรรมที่อย่างลงสู่อมตะคืนนิพพานเพราะมีสภาวะเป็นที่สุดควรรู้ยิ่ง ทมใดๆที่รู้ยิ่งแล้วทมนั้นๆก็เป็นอันรู้แล้วชื่อว่าญาณเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าการทรงจำธรรมที่ได้สะดับมาว่าธรรมเหล่านี้ควรรู้ยิ่งปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สะดับมานั้นชื่อว่าสุตตมยญาณญาณในการทรงจำธรรมที่ได้สดับมา พุติยะพาณวาระจบการทรงจำธรรมที่ได้สดะดมาว่าธรรมเหล่านี้ควรกำหนดรู้ปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดะดมานั้นชื่อว่าสุตตมยญาณเป็นอย่างไรคือธรรมหนึ่งอย่างที่ควรกำหนดรู้คือผัสสะซึ่งมีอาสวะเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานธรรมสองอย่างที่ควรกำหนดรู้คือนามหนึ่งรูปหนึ่ง ทำสามอย่างที่ควรกําหนดรู้คือเวทนาสามทำสี่อย่างที่ควรกําหนดรู้คืออาหารสี่ทำห้าอย่างที่ควรกําหนดรู้คืออุปาทานขันห้าทำหกอย่างที่ควรกําหนดรู้คืออายตนะภายในหกทำเจ็จอย่างที่ควรกําหนดรู้คือวิญญาณนติติเจ็ดทำแปดอย่างที่ควรกําหนดรู้คือโลกธรรมแปด ทำเก้าอย่างที่ควรกําหนดรู้คือส ต, ตาวาสเก้าทำสิบอย่างที่ควรกําหนดรู้คืออายตนะสิบพิษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงควรกาหนดรู้สิ่งทั้งปวงที่ควรกําหนดรู้คืออะไรคือจักขุูควรกําหนดรู้รูปควรกําหนดรู้จักขุูวิญญาณควรกําหนดรู้จักขุูสัมผัสควรกําหนดรู้ สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขคยมาสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากผูกสัมผัสเป็นปัจจัยควรกําหนดรู้โซตะควรกําหนดรู้สัทธะคานะควรกําหนดรู้คันทะชิวหาควรกําหนดรู้รสกายควรกําหนดรู้โภธาพระมโนควรกําหนดรู้ธรรมารมณ์มโนวิญญาณมโนสัมผัส สุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยควรกำหนดรู้รูปควรกำหนดรู้เวทนาควรกำหนดรู้สัญญาควรกำหนดรู้สังขารควรกำหนดรู้วิญญาณควรกำหนดรู้จักขุควรกำหนดรู้ชราและมรณะทรรมที่อย่างลงสู่อมตะคืนิพาน เพราะมีสภาวะเป็นที่สุดควรกาหนดรู้บุคคลพยายามเพื่อต้องการได้ทาใดๆได้ทำนั้นนั้นแล้วทำเหล่านั้นเป็นธรรมอันบุคคลนั้นกาหนดรู้และพิจารณาแล้วอย่างนี้บุคคลพยายามเพื่อต้องการได้เนคขมมะได้เนคขมมะแล้วทำนั้นเป็นธรรมอันบุคคลนั้นกาหนดรู้และพิจารณาแล้วอย่างนี้ บุคคลพยายามเพื่อต้องการได้อภาบาทได้อภาบาทแล้วทานั้นเป็นธรรมอันบุคคลนั้นกำหนดรู้และพิจารณาแล้วอย่างนี้บุคคลพยายามเพื่อต้องการได้อโลกสัญญาได้อโลกสัญญาแล้วทานั้นเป็นธรรมอันบุคคลนั้นกำหนดรู้และพิจารณาแล้วอย่างนี้บุคคลพยายามเพื่อต้องการได้อวิเขปะได้อวิเขปะแล้ว ธรรมนั้นเป็นธรรมอนบุคคลนั้นกำหนดรู้และพิจารณาแล้วอย่างนี้บุคคลพยายามเพื่อต้องการได้ธรรมววัฏฐานได้ธรรมะววัฏฐานแล้วธรรมนั้นเป็นธรรมอนบุคคลนั้นกำหนดรู้และพิจารณาแล้วอย่างนี้บุคคลพยายามเพื่อต้องการได้ญาณได้ญาณแล้วธรรมนั้นเป็นธรรมอนบุคคลนั้นกำหนดรู้และพิจารณาแล้วอย่างนี้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 บุคคลพยายามเพื่อต้องการได้อนัตตานุปัสนาได้อนัตตานุปัสนาแล้วทำนั้นเป็นธรรมบุคคลนั้นกำหนดรู้และพิจารณาแล้วอย่างนี้บุคคลพยายามเพื่อต้องการได้นิพิทานุปัสนาได้นิพิทานุปัสนาแล้วทานั้นเป็นธรรมบุคคลนั้นกำหนดรู้และพิจารณาแล้วอย่างนี้บุคคลพยายามเพื่อต้องการได้วิราคานุปัสนา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 ทมนั้นเป็นธรรมอนบุคคลนั้นกำหนดรู้และพิจารณาแล้วอย่างนี้บุคคลพยายามเพื่อต้องการได้ขยานุปัสสนาได้ขยานุปัสสนาแล้วทมนั้นเป็นธรรมอนบุคคลนั้นกำหนดรู้และพิจารณาแล้วอย่างนี้บุคคลพยายามเพื่อต้องการได้วยานุปัสสนาได้วยานุปัสสนาแล้วทานั้น เป็นธรรมอนบุคคลนั้นกำหนดรู้และพิจารณาแล้วอย่างนี้บุคคลพยายามเพื่อต้องการได้วิปริณามานุปัสนาได้วิปริณามานุปัสนาแล้วทำน and and ั้นเป็นธรรมอนบุคคลนั้นกำหนดรู้และพิจารณาแล้วอย่างนี้บุคคลพยายามเพื่อต้องการได้อนิมิตานุปัสนาได้อนิมิตานุปัสนาแล้ว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 ธรรมนั้นเป็ <t ake iono> <al> นธรรมอันบุคคลนั้นกำหนดรู้และพิจารณาแล้วอย่างนี้บุคคลพยายามเพื่อต้องการได้อาทีนวานุปัสสนาได้อาทีนวานุปัสสนาแล้วธรรมนั้นเป็นธรรมอันบุคคลนั้นกำหนดรู้และพิจารณาแล้วอย่างนี้บุคคลพยายามเพื่อต้องการได้ปฏิสังขานุปัสสนาได้ปฏิสังขานุปัสสนาแล้ว รำนั้นเป็นทำอันบุคคลนั้นกำหนดรู้และพิจารณาแล้วอย่างนี้บุคคลพยายามเพื่อต้องการได้วิวัตนานุปัสนาได้วิวัตนานุปัสนาแล้วทำนั้นเป็นทำอันบุคคลนั้นกำหนดรู้และพิจารณาแล้วอย่างนี้บุคคลพยายามเพื่อต้องการได้โสดาปิมัคได้โสดาปิมัคแล้ว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 ชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าการทรงจาธรรมที่ได้สดับมาว่าธรรมเหล่านี้ควรกาหนดรู้ปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้นชื่อว่าสุตตะมยญาณ